พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรสามลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10บธันวาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าความตายไม่มีใครปรารถนาวันนี้เป็นวันหนึ่งคณะโลกหลาน เหรนเหลายาพี่น้องทุกหมู่เหล่าไดมาร่วมงานคุณยายคุณย่าวันนาภการัฐที่ท่านได้มรณะลงไปวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านที่หลวงพ่อดูในประวัติก็อายุของท่าน90สบปีหนึ่งเดือน สี่วันแล้วก็ได้พระราชทานเพลิงศพ อ, อยู่ที่วัดโพี่สมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและก็วันนี้เป็นวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2559ห้าคณะลูกหลานญาติพี่น้องอลูกหลานเหลนทั้งหลายก็ได้มาร่วมมารวมกันเพื่อ พระธิทานเพิงจริระของคุณยา่าคุณยายของพวกเราเออนี่ยแหละก็ได้พร้อมๆกันได้มารวมกันณสถานที่แห่งนีออ้แล้วก็ก่อนที่จะพระธิทานเพิงก็นิมนต์ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิมนต์หลวงพ่อมาเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ยินดีออมาประทานอำนาจประกาศ ที่เป็นลูกชายของคุณโยมคุณยายก็รู้จักมรคุนหลวงพ่อมานมนานแต่แต่ท่านยังทำราชการอยู่รู้จักมักคุ้นไปมาหาสู่กันโดยตลอดจนท่านเมื่อกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะหลวงพ่อก็ยังนับเนื่องยังนับถือไปมาหาสู่ปรึกษาปารบเรื่องการเรื่องงานมีอะไรหลวงพ่อก็ยังคิดลาลึกถึง พอท่านเป็นวัยวุฒคุณนวุฒในเขตเมืองอุดรของพวกเราไปคนเป็นพื้นคนพื้นที่เมืองอุดรของเราวันนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้มาในงานแล้วก็เป็นองค์แสดงธรรมแต่ถึงยังไงก็ขอแสดงความเสียใจที่คุณย่าคุณยายจากไปจากพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงพวกเราที่เป็นญาต ที่เป็นลูกเป็นหลานก็คงจะกระเทือนใจเพราะเคยอยู่ด้วยกันกับคุณยา่าคุณยายมาเห็นกันมาอยู่โดยตลอดแต่มาถึงเดี๋ยวนี้ก็พัดพรากจากไปอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้ถ้าว่าไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาเกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง จะต้องพัดภาคจากกันไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราเรื่องความแก่เรื่องเรื่องความตายเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นเครื่องที่กระเทือนใจของพระพุทธเจ้าอย่างมากในสมัยเมื่อท่านส่งของราชอยู่อายุท่าิบเปีกําลังเป็นวัยสกันเป็นวัยนมกําลังมีความสุขจากนั้นท่านก็ไปเห็นขนแก่แล้วก็เกิดความสลดใจทําไมขนจังแก่ จากนั้นไปเห็นคนเจ็บแล้วก็ไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะแต่สมณะในครั้งสุดท้ายสมณะคล้ายๆกับว่าเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจะทำอย่างไรไปค้นคิดจะทําวิธีแก้จะแก้ไขอย่างไรท่านก็หมดหนทางที่จะแก้ไขถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังก็คงไม่มีโอกาสที่จะคิดค้นคิดในเรื่องนี้ได้ เราถ้าว่าเรามาอยู่อย่างสมณะท่านนี้อยู่ตามลําพังมานั่งคิดคุ้นคิดหาเรื่องทางออกคงจะมีทางมันต้องหาคุ้นคิดอย่างนี้ต้องอยู่ในมุมสงบเพราะฉะนั้นท่านยังไม่เสียสาะออกจากเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นเรื่องแก่เจ็บตายนี่นไม่ใช่ของธรรมดาเป็นเรื่องที่สรดสงเวชใจของพระพุทธเจ้าคือเรื่องศีลธรนเรื่องที่สังเวของเราที่สดียวเพราะฉอนั้นพระพุทธเจ้าของเราดาเนี่สดส สนวนแรกก็คือเนี่ยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละที่ทำที่ทำให้พระ อ, องค์สรดพระฐัยของพระ อ, องค์จนสละออกจากเวียงวังออกจากราชสมบัติออกไปอยู่ตามลําพังไปค้นคิดอยู่เป็นเวลาทั้งหปีคุ้นคิดหาวิธีออกจะทํำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผลที่สุดพระ อ, องค์ก็ได้นั่งเข้าสมาธิ หม่อมเพลินทหกปีลองถกถูกลองผิดลองผิดลองถูกต่อถึงวันเดือนหกเพลิที่วันสําเร็จนะท่านทํำยังไงท่านสําเร็จท่านกับวันเดือนหกเพลินนะท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือจิตใจเป็นสมาธิเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณเกิดญาณรัตน์เกิดฌานะ ความรู้พิเศษขึ้นมาในหัวค่าพระองค์ละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้นะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่ศูนย์พูดง่ายๆ่ายพระพุทธเจ้าวรมครูของพวกเราท่านตรัสว่าเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแ ล, ยแล้วศูนย์ให้นั่งภาวนาในมั่งเมื่อนั่งภาวนาจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณรัตน์เกิดยาณทัศน์เกิดฌานเกิดความรู้พิเศษ ท่านแยกกายออกจากใจแยกใจออกจากกายร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งจว่ารูปธปรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจรูปธปรรมก็หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบ ว, ว่ารูปธรรมเหมือนกับรถนามธรรมเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถพวกเรานึกดูว่ารถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้คงเหมือนกันร่างกายของคนเราต้องมีใจใจเป็นผู้ครอง ครองของร่างกายแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายคือท่านให้ความสําคัญเรื่องเรื่องโซโฟเฟอร์รถมากกว่ารถจึงว่ามนโนปุพังขัามธธาธํามามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็ว่ารถคันนี้โซฟเฟอร์เป็นใหญ่โซฟเฟอร์เป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าาว่าโซเฟอร์นิสัยดีขับรถดีก็ขับรถไปในตามถนนหนทางไปใ น, ในทางเี่ถูกต้องถ้าว่าโซเฟอร์โซเฟอร์โกโรโกโซโมโหโกธานะขับรถชนต้นไม้ชนภูเขาตกเหวตกลงคลองไปได้ทั้งนั้นไปเลยเพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนี่แหละท่านจะว่าให้ความสําคัญเรื่องเรื่องของโซเฟอร์เรื่องของใจ เพราะนั้นท่านยังอบรมทางใจนะนะพอถึงตอนหัวค่าท่านได้ปุกเพนิวาสานุสติญาณลำลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านในญานณกัตตาอีกอันหนึ่งขึ้นมาว่าจูตุปัปจูตูป ป, ปตาตาญาณการเกิดการตายของสรพสัตทั้งหลายท่านมองดูเถอะท่าที่แรกท่านมองตัวเองว่าข้าไปเจ้ามาจากไหนแต่พอถึงเที่ยงคืนท่านก็มองไปอีกว่าสัสตว์ทั้งหลายสรัพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหน แต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนมาจากไหนมาเกิดแต่ทําไมมาเกิดแล้วทาไมไม่เหมือนกันทําไมคนหนึง่งร่ํารวยคนหนึง่งยากจนทําไมคนหนึ่งสวยคนหนึง่งงามคนหนึง่งขี่้า่ขี่เละและเป็นบ้าเป็นบอลสติเ อ, อไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวก็มีทําไมคนจึงไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละตัวคน แต่ถ้าตัวสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านมองดูแล้วเออเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทําถ้าว่าผู้ใดก็ตามดวงวิญญาณนะโซเฟอร์คนนั้นแหะทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลให้ผลไปในทางที่ชั่วเพราะนั้น ในหลักของพระศาสนาท่านจึงท่านจึงบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยกรรมเป็นผู้จำแนกจำแนกให้สรรพสัตว์แตกแตกต่างกันถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลไปในทางที่ดีถ้าใครใครใคตามกรรมชั่วกรรมชั่วเขาจะพานำพาไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าจึง เมื่อท่านโอ้ให้โอว า, าตปฏิโมกขิกสุสง์ท่านยังว่าอากตังดุกตังเสยโยปัจ ช, ชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทํำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นและจุรดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ฟังเอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยอันดับแรกก็คือตายแล้วไม่สูญอันดับที่สอง พอถึงเ <hein. S 1> ที่ยงคืนท่านก็บอกว่าสัพรพสัตวทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําแต่ละดวงวิญญาณตัละตัวคนเป็นผู้จําแนกให้สรรพสัตทั้งหลายเกิดแตกแตกต่างกันพอถึงจวนสว่างพอใกล้รุ่งพระองค์ก็ได้พิจารณาดูพระองค์ว่าดวงวิญญาณดวงนี้ใจของข้าพรเจ้าเนี่ยทำไมจึงเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสาร รุ่มรุ่มรอนรอนทุ้งสูงต่ำเกิดมาเป็นสรรพสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวราเป็นอินเป็นพรหมออในมนุษย์โลกมกวนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมีมากต่อมากทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ดูพระไทยของพระองค์ดูใจของพระองค์ท่านบอกว่ากีดเลดราคะโธสัโมหะ เป็นเครื่องพานําดวงวิญญาณนี้ไปให้ให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมักแปดนั่นแหละคำจัดกิเลสภายในพระองค์ภายในใจของพองค์เพราะในคืนวันนั้นเพรจวนสว่างท่านจึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว เพราะสิ่งที่จะที่จะทําให้เรามาเกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่บัดนี้เราได้กําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของเราพระไทยของเราแล้วใจของเราพระไทยของเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะทํานําให้พาไปเกิดวกบุญเวียนในวัฏสงสารนั้นไม่มีอีกแล้วนียอันนี้คือคือพระองค์ได้ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ว่าเ อ, อ ทำละใจจนถึงนิพพานนิพพานันานางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างจริงนี่แหละอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาแต่ที่นี้มาพูดถึงพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงจุดนั้นอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งมั่นหรือชี้ประเด็นให้พวกเราฟังว่าบางคนเกิดมา เ, เอ๊ตายแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนไม่รู้ว่าไปถึงตายแล้วนาะบอกแต่ว่าศูนย์ก็เลยบอกว่าศูนย์มันง่ายดี แต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าพวกเราอยากจะรู้ตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะต้องศึกษาถ้าพ่อศึกษาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เมื่อจิตใจของเรานั่งภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนองค์หลวงตามหาบุญที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทิญาณุสิทธิ์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเรามีแต่ฟังโดยมากมีแต่ฟังแล้วยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ แต่ว่าพวกเรานําไปปฏิบัติพวกเราจะรู้เห็นด้วยตนเองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจัดตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประมาณการไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่เรียนแล้วกรู้ไปทั้งหมดไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดจกจะรู้ในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกล่าวอย่างไรให้ลงมือปปฏิบัตินะ ทำลงมือปฏิบัติแล้วนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละจะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเ อ, อจิตใจรวมสงบจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากล้กับใจใจกับกาย เ, ยเป็นขนละอันกันแน่นอนแต่จากนั้นเขาก็รู้ได้ว่าที่จะพาไปเกิด ในภพภูมิต่างๆนั่นคือใจคือโซเฟอร์นั่นเองนะแต่ถ้าว่าโซเฟอร์ของเราไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ได้ประกอบคุณงามความดีมีแต่เอาความชั่วเออมีแต่เอาความที่ไม่ดีเข้าสู่จิตใจนั่นแหละ เ, เมื่อออกจากชาตินี้แล้วก็เมื่อออกจากชาตินี้ไปกรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองจะพาเราไปสู่ ตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปในภพภูมิต่างๆได้แต่ถ้าว่าเราทำกรรมดีกรรมดีจะเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันและจะพาเกิดพาไปเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็เป็นเกิดสวรรค์ชั้นโผลมไปที่ไหนก็ได้ก็ให้เลเพราะบุญพาไปนี่แหละท่านเจึงว่าบอกว่าใจของเรานี่มีบุญกับบาปเป็นเพื่อน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกันพวกเราในเกิดไม่ได้เกิดมาพื้นแผ่นดินไทยในช่วงนี้อาตมาภาพเองก็ได้พูดได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีนะกนัตตาทาญาทโยมลูกหลานทุกทุกคนทุกหมู่ทุกเ่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างไรยะเกิดในปฏิรูปรเทสว่าโซ่าย อ ย, อ, ยอยู่ในปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศโซโซจะในมงคลละ ส, สูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปุเพจักตะปุญจาตาอัตสัมมาปณิธิปฏิรูปประเทศสวาโซจะคือประเทศที่ไม่เบียดเบียนคนในชาติคนในพื้นแผ่นดินแผ่นดินไม่ไหว ไม่หนาวไม่ร้อนน้ำไม่ท่วมไม่หิวไม่อดไม่อยากอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์และก็พร้อมกันพวกเราโชคดีอีกได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาในพบพร ะ, พระมาหากษัตย์ผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ละวีแต่ละวันท่านออกข่าวออกมาแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าผลงานของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยที่ สวรรคารายไปแล้วเนี่ยสวรรคารายไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไงแต่พอท่านจากไปเขาก็ออกสื่อต่างๆพวกเราจึงได้รู้ว่าโอ้โหผลงานของพระ อ, องค์เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทําให้ลูกหลานประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขผลงานตอดที่ไหนต่อที่ไหนทุกหัวและแห่งของประเทศชาติเพราะฉะนั้นพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีทั้งคิดในแง่ของพระพุทธศาสนาอีกพระ อ, องค์ก็เป็นผู้ เข้ามาส่งผนวดคือมาบวชในพระพุทธศาสนาอีกพอมาบวชแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติเคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัยจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่งตั้ง เ, เจ้าคณะ ต, ต่างๆขึ้นมาในพระพุทธศาสนาใกล้ๆว่าให้พระพุทธศาสนามั่นคงเกี่ยวเนื่องกับทางบ้านเมืองอีกศาสนาจากัก พ, นะพุทธจักร เ, เกี่ยวเนื่องกันพระองค์เป็นหลักให้กับประเทศชาติตเพราะนั้นพระประสาทนาในเมืองไทยถึงยังไงก็ตามถ้าพวกเราได้ยินได้ยินตามสื่อต่างๆดังเรื่องต่างๆบางทีก็ได้ยินออกมาแล้วก็ไม่พึงปรารถนาไม่พึงพอใจในเรื่องที่ได้ยินนั้นพระองค์นั้นเป็นอย่างนี้พระองค์นี้เป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเราทําใจให้เป็นกลางนะทุกวงการมันก็ต้องมีมันต้องมีพระทั้งห้าหกเจแสนองค์ ทั่วประเทศไทยจะไม่มีเหลือองค์ที่เสียหายไม่ว่าข้ขาราชการกลุ่มใดไม่ว่าตำรวจทาหารพิพากษาอัยการครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ามีทั้งดีมีทั้งเลวนั้นแหละไม่ใช่จะดีทั้งหมดไม่ใช่ถ้าเราว่าดีทั้งหมดนั้นเราคิดผิดจะแล้วในเพราะในครั้งพระพระทุทธเจ้าในสมัยครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ยังมีเทวทัตนะยังมีพระ ที่ไม่เข้าใจมีพระที่เลวๆในยุคสมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันถ้าพอเราศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราให้เลือกให้เลือกพบได้เลือกหาได้มีทั้งคนดีมีทั้งคนเลวในบ้านในเมืองของเราแต่เราถ้าเขาว่าไปพบแต่คนเลวมันก็ได้แต่คนเลวนั่นเองคนเลวแล้วว่าภาละชนปาปรมิตนี่ว่าคนคนที่ไม่ดี กรรารัญนามิตรมิตรที่ดีงามเราเลือกคบหาได้ทั้งสองทั้งสองอย่างทั้งปาปมิตรทั้งกรรารัญนามิตรนะนี่แหละอันนี้ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาในการเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละที่ว่าปฏิรูประเทศวะโซดจะอุปเพจักตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะเมื่อเรามาทําบุญนั้นไปไหว้ไห ว, ว้พระที่ไหนไปไหว้พระเยดียที่ไหน ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่ไหนพวกทรงผู้ทรงศีลทรงธรรมเราก็ทําบุญทรรําทานจ้าท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานอขอให้ข้าพไปเจ้าเกิดพบนาชาตินาขอให้เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทันยาหารให้สมบูรณ์ด้วยคุณคุณธรรมศีลธรรมจริ ย, รยธรรมให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาได้พบผู้ทรงคุณธรรมศีลธรรมในบ้านเมืองนี่แล้วพวกเราก็ได้มาเกิดแล้วเนี่ย เพราะว่าในอดีตชาติพวกเราคงตั้งความปรารถนาจกจะมาเกิดก็ได้มาเกิดแล้วเมื่อมาเกิดแล้วบางคนก็ลืมตัวเองลืมตัวพอขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่มันเร็วๆสิ่งที่มันไม่ดีก็ขนก็มาสู่ตัวของเองตัวเองอันนี้แปลว่าอัตตสัมมาปณนิธิตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตัวนี้นะถ้าว่าตั้งตนไว้ชอบอัตตะสัมมาปณนิตั้งตนไว้ชอบนะเมื่อตั้งตนไว้ชอบประกอบแต่คุณงามความดี เกิดมาพบหน้าชาติหน้าถาวารทาท ำ, ทำดีแล้วก็ต้องมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอีกแต่ว่าพวกเราทำตนไว้ไม่ดีนะเผอเผลอถลําไปไอาจจะไปเกิดเป็นประเทศที่หัวโตๆโตโตท้องใหญ่ๆขารีบๆตัวดำๆไม่มีเสื้อผ้าอต่างหากนี่แหละกรรมมันพาไปเกิดมันไปได้ทั้งนั้นนะคณะทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เพราะนั้นเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะหน่อยชีวิตของพวกเราอย่างที่คุณยายนี่ยคุณยา่าคุณยายของพวกเราเนี่ถึงอย่างไงยังไงก็มีจุดจบอย่างที่พระพุเทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นขึ้นเบื้องต้นว่า พ, พระพุทธองค์ก็มองเห็นคนเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตาย ท่านจึงเสียสละออกจากเวี่ยงหวังทั้งที่พระ อ, องค์ก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหะต้องการการความสุขสุขกายสุขใจเขามีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างแต่พระ อ, องค์ทําไมจึงหนีออกจากเวียงหวังก็เพราะว่าอีกสักวันหนึ่งปู่ย่าตายายวงศาขนะญาติญาติผู้ใหญ่ไปไหนหมดล่นลงมาล่นลงมาจนมาถึงอจนถึงญาติผู้ใหญ่ต่อไปก็ล่นมาหาตัวของท่านเอง ท่านก็จะต้องไปอย่างญาติผู้ใหญ่อีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็คือความตายเราควรจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงได้หนีออกจากเวียงวังเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงพวกเราหนีไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่พวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างน้อยก็ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราเลือกเกิดได้ เป็นมนุษย์ที่สั ม, มาทิฏฐิก็นับว่าดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจสนใจปล่อยตามที่มันจะเป็นไปชีวิตของพวกเราอนาคตของเรามันก็อย่างว่านะั่นเพราะทุกคนทุกคนอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวทุกคนพวกเราทุกคนรอวีซานะรอวีซ่าอยู่เมื่อมาเกิดเขาเขียนวีซ่าให้แล้ว เมื่อเจ้าไปเกิดแล้วเจ้าเอ า, เอาไปทําการทํางานนะ เ, เดี๋ยวได้เวลาแล้วจะยื่นวีซ่าให้แต่ที่นี้นะคุณยา่าคุณยายของเราเนี่ยท่านก็ได้รับวีซ่าอย่างที่ว่านะเนี่ยก็ได้รับวีซา่าต้องก็ไปนะท่านพวกเราก็มาส่งส่งท่านขึ้นเมนนะเอท่านก็ไปตามลําพังของท่านแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเดี๋ยววก็ส่งคนนั้นเดี๋ยวก็ส่งคน น, นี้ส่งไปเรื่อย ผลที่สุดเขามาเขาจะมาส่งตัวของพวกเราอีกเหมือนกันนะนะแพวกเราก็จะต้องขึ้นไปต่างประเทศอีกเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปต่างประเทศนะั่นน่ะต่างคนก็ต่างมีทรัพย์สมบัติไหมเนี่ยแหละข้อสําคัญจุดนั้นถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะไปไปแบบที่ว่าเอ้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่เตรียมพร้อมไม่พร้อมที่จะไปแต่มันก็ได้ไปเพื่ออะไรเพราะ ถึงคราวแล้วมีวีซ่ามาถึงแล้วแต่ถ้าว่าผู้ใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอาเถอะเราต้องถึงจุดจบตุนจุดนั้นแน่นอนเราก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราจำเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลถึงคราวแล้วเหรออย่างองค์หลวงตามหาบัวนท่านบอกว่าถึงคราวเราก็ต้องไปสิเราจะไปอยู่ได้ยังไงเพราะเกิดแก่เจ็บตายคนเราหนีไม่พ้นอยู่แล้ว เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คือให้ยึดให้ยึดคุณงามความดีประกอบคุณงามความดียึดบุญกุศลเท่านั้นนะจะเป็นที่พึ่งของพวกเราอย่างอื่นปัจจัยสี่ถึงพวกเราจะหามาเลี้ยงชีวิตของเราเราก็หามาเลี้ยงได้แต่ชีวิตของเรานี่แหละ อ, อาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัย เราหาปัจจัยสี่ได้เพียงมาเพียงแค่นี้นะทำ ม, มากกว่านั้นก็ส่งถึงเมน เ, เงินคำรับสมบัติส่งถึงโรงพยาบาลใช่ไอมฮวานส่งถึงโรงพยาบาลคืเอเงินเงินส่งถึงโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลหมอสุดความสามารถก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็หมดอพอหมดแล้วก็กลับมาถึงบ้านพอญาติพี่น้องถึงจะรักขนาดไหน ก็ส่งถึงเมนเอพอส่งถึงเมนจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วกเ็เราเข้าไปตามลําพังแล้วนะคุณยา่าคุณยายนะไปตามลําพังแล้วจนะิเนี่ยพวกเราก็มาส่งถึงเมนเออคุณยา่าคุณยายเนอะถ้าหากว่าพวกเราได้ประม า, าทพลาดพังยังไงก็ขอคุณยายโปรดโหสีกรรมให้ลูกให้หลานให้ผมด้วยอแล้วก็ผมพวกผมก็เหมือนกัน ได้คุณย่าคุณยายได้ทำยังไงพวกผมยินดีเอาหัวีกรรมให้กับคุณย่าคุณยายขอให้คุณยายไปดีน้ให้พวกเราเสด็จส่งถึงเมนแล้วก็ลงมาผมมานั่งคุณยายก็ไปตามลําพังในเมื่อคุณยายไปตามลําพังอันไหนจะเป็นเพื่อนสองของคุณยายก็บุญกับบาปนบุญกับบาปที่พาไปถ้าว่าคุณยายทำบุญบุญก็เป็นเพื่อนสอง ถ้าคุณยายทําบาปบาปก็เป็นเพื่อนสองแต่ถึงยังไงก็ตามนะคุณยายของเราเป็นผู้จิตใจใฝ่กุศลอยู่แล้วนะท่านก็คงจะไปในทางสู่สุคติของท่านพราลูกหลานของท่านก็เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวอยู่แล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมนะแล้วก็ท่านเกิดจนเมืองให้อยู่ในใ น, ในระแวกนี้อีกต่างหากนะเป็นเมืองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหากนะเพราะฉะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ เ, เมื่อถึงคราวเช่นนี้แล้วไม่มีใครที่จะช่วยใครได้นอกจากบุญกุศลที่พวกเราทำเท่านั้นละ่ะจะเป็นผู้พานําไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเขาสู่จิตเข้าสู่ใจไม่มีอะไรไม่มใีใครที่จะเป็นเพื่อนดียิ่งกว่าบาปกับบุญ เ, เมื่อเราทําบาปบาปก็เป็นเพื่อนสองแต่อย่าเอาเธออย่าเอาเป็นเพื่อนสองเธอบาปนะเพราะมันพอนําไป มิถัพไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเป็นเปรตไปตกต่ําไปเรื่อยนะบาปพาไปนะถ้าบุญพาไปนะจะไปสู่สุคติไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติจากนั้นไปเกิดบนสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมมิถัพย์ความกเกษมสําราญเพราะบุญพาไปเพราะนั้นให้พวกเราให้สั่งสมบุญนะไม่มีอย่างอื่นนะ ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพาะได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติขนหลังได้ถ้าเรานับถื อ, รถอรพรนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฟังฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสยังไงท่านพูดยังไงแล้วก็พวกเรายัางไม่เชื่อ อ, องิงอา้าวพิสูุนะ์เนี่ยพิสูจนด้วยตนเองนั่งสมาธินะ ในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทีนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าเรารู้รู้ได้ด้วยตนเองร่างกายกับใจใจกับกายมันเห็นที่ชัดด้วยตนเองเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธนไม่ใช่พูดเลื่อนๆลอยๆลังเออเลื่อ น, อ น, ๆ, อออนๆนะพูดตามเป็นจริงนปฏิบัติรู้แจง้งเห็นจริงได้ตามหลักธรรมคาสอนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ฟัง และฟังก็นำมากันกลองไตรตองแล้วนำมาปฏิบัติวันนี้นัตมาภาพได้กล่าวเป็นพุทธภาษ์เบื้องต้นว่ามรณงเมภาวิสติขยะวยะธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะทั่มปาเดท่าติความแปลและความหมายความว่ามรณงเมแปลว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตาย มีจุดจบของชีวิตทุกคนทุกคนไม่ว่าใครหลวงพ่อด้วยนะไม่ว่าผู้ใดใครนะทุกชีวิตจะต้องถึงจุดจบสักวันหนึ่งอย่าว่ามะระนังเมภวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายขยะวยธรรมมาสังฆาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติพระพุทธเจ้าที่ท่านก่อนจะปรินิพานท่านได้สั่งเสียพุทธบริษัท พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในวันนั้นท่านบอกว่าขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติขอให้ท่านทั้งหลายจงยั่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนะ่ยอันนี้คือคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระโอเค็ปิดพระโอษฐ ไม่ตรัสไม่พูดอะไรอีกเลยทำการปรินิพาน เ, เข้าสู่นิพานไปเลยเป็นคเป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าติให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนกันเนี่ยพวกเราเราทำหน้าที่อะไรหน้าที่ใครอยู่ใครอยู่ในสถานะไหนในฐานะพ่อนทะาในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะ พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในฐานะไหนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้รักเมตตากันเอาไว้อันนี้แหลววะว่าแปลว่าประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านก่อเนี่ยช่วยเหลือชุมชนสังคมอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเราก็ช่วยเหลื อ, อ, อตามความสามารถของเรานี่แหละถ้าเมื่อเราช่วยเหลืออย่างนั้นลราบีบความ กล่มเย็นผาสุขการอยู่ด้วยกันมากน้อยเพราะนั้นการกล่าวสังเวทนจกรฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอ น, อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบุญบารมีของคุณยายคุณย่าที่ได้บาเพ็ญมาขอให้มาคุ้มครองลูกหลาน